บทพุทธทางสระนังคาฉามีอะไรเนี่ยถือเป็นของสำคัญมากนะสมัยพุทธกาลเนี่ยเวลาเปลี่ยนศาสนาจากศาสนาอื่นมานับถือศาสนาพุทธเนียกล่าวปฏิญาณตัวด้วยบทนี้เองการบวชพระสมัยแรกๆแค่ปฏิญาณตัวพุทธทางสระนังคาฉามีเป็นพระละต่อมา ก็มีระเบียบพิธีมากขึ้นใช้ยติหงสงนะงั้นพวกเราปฏิญาณตัวเป็นชาวพุทธแล้วเราต้องสมควรเป็นชาวพุทธจริงจริงสีลห้าต้องรักษ า, อาตอนท้ายจากบทของสีลห้าบอกว่ามีห้าข้ออะไรบ้างแล้วเนี่ยจะบอกว่ามันมีประโยชน์อะไรถือศีลแล้วจะมีความสุขถือศีลแล้วจะร่ํารวยนะ ถืศีลแล้วก็จะเข้าถึงความสงบถึงพระนิพพานได้เป็นฐานนี้คนยุคเราเนี่ยมันไม่เห็นคุณค่าของศีลเห็นว่าใครถือศีลเป็นเรื่องของคนโง่ถ้าเราลองถือศีลให้ต่อเนื่องอย่างบางคนเข้าพรรษารักษาศีลเนทําได้ตลอดสามเดือนพอทําได้ตลอดสามเดือนเนี่ยเวลาเราคิดถึงศีลมาเรารักษามาดีแล้ว จิตใจมันจะร่าเริงจิตใจมันจะเบิกบานสมาธิมันเกิดจิตใจมีสถาเนียวแน่นมันคงมากขึ้นมากขึ้นในสมัยพุทธกาลก็มีพระองค์หนึง่งท่านบวดรุ่นเดียวกันนะบนรรลุพระอรหันต์ไปหมดแล้วท่านไม่ได้อะไรเลยท่านก็เสียใจมากวันหนึ่งเอามีดโคนนะปาดคอตัวเองนละ ว่าตายสเสื้อเถอย่าอยู่เลยโง่เลยเกินกินข้าวชาวบ้านทุกวันทุกวันไม่มีมัดผลอะไรกับใครเขาเลยพอท่านเชิดคอสเสร็จแล้วท่านก็นึกขึ้นได้อย่างนั้นว่าตั้งแต่บวชมาเนี่ยท่านรักษาศีลอย่างดีเลยไม่เคยดังพร้อยเลยตัวท่านเองก็นึกไม่ออกเลยว่าตัวเองทําผิดศีนอะไรเพื่อนสาหาทันมีกพระด้วยกันก็ไม่มีใครว่าท่านว่ารักษาศีนดังพร้อยแล้วพระเจ้าก็ไม่ตําหนิไม่เคยว่าเลยว่าศีนไม่ดี พอท่านคิดได้อย่างนี้ท่านนั้นเองนะใจท่านร่าเริงอย่างน้อยเรามีคุณงามความดีเรามีศีลอยู่ในตัวพอใจท่านร่าเริงใจท่านก็สงบพอความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิจิดท่านก็ได้สมาธิในขณะนั้นแล้วท่านก็เจริญปัญญาในขณะนั้นเลยเห็นร่างกายมันจะตายใจเป็นคนดูปรากฏว่าท่านบนรรลุพระอรหันต์ในขณะที่ตายเนี่ยอาศัยว่าตั้งใจรักษาศีลมา เพะพวกเราทุกวันนี้คนมันไม่มีศีลมีธรรมโกหกหลอกลวงทําความเดือดร้อนไปทุกย่อมยากแต่ในชุมชนเล็กๆในสังคมเล็กๆในครอบครัวบางครอบครัวบางบ้านมีคนไม่มีศีลมีธรรมอยู่นะมันวุ่นวายในที่ทํางานมีมีศีลโดยยุ่งในสังคมใหญ่นักาการเมืองอะไรเนี่ยก็ปัญหาวุ่นวาย งันพวกเราเราไปสอนคนอื่นเข้าไปบอกให้เขารักษาศีลทําไม่ได้หรอกเราตั้งใจรักษาของเราเองก็รักกันใครทําก็ดีของตัวเองอยู่อย่างนั้นแหละคนอื่นคนไหนไม่ได้ทําเขาก็ไม่ได้ของดีของวิเศษไปเมื่อเรารักษาศีล น, นะเราคิดถึงศีลเรียกว่าศีลานุสติแล้วถ้าเราทําสมถะไม่เป็นเข้าสมาธิเข้าชานไม่เป็นรักษาศีลให้ดี รักษาศีลด้วค่อยคิดถึงศีนของเราเรื่อยๆว่าเนี่ยวันนี้ก็ไม่เคยดังพร้อยก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ดังพร้อยคิดทบทวนอยู่เรียกว่าศีลานุสติการที่เราค่อยะระลึกถึงศีลที่เรารักษาไว้ดีแล้วศีลานุสติเป็นสมถะกรรมฐานอย่างหนึ่งพอเนึกแล้วจิตจะสงบสงบแค่นี้แหละพอจะบรรลุมรรคผลได้นะแค่สามารถไปเจริญปัญญาต่อได้ เวลาจิตไม่สงบจิตมันหนีตัวเองมีร่างกายก็ลืมร่างกายมีจิตใจก็ลืมจิตใจมันลืมตัวเองไปถ้าเรามีศีลเรานึกถึงว่าเรารักษาศีลได้ดีจิตใจมีความสุขจิตใจมันจะอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจที่มันฟุ้งซ่านไม่มีสมาธิมันลืมเนื้อลืมตัวเนี่ยเพราะว่ามันเที่ยวไปหาความสุขภายนอกตัวมันเองไม่มีความสุขมันก็วิ่งพล่านเที่ยวหาความสุขที่อื่น ใครๆเคยเห็นหมาขี้เลือนไหมหมาขี้เลือนใจของเราบางคนนะมันเป็นหมาขี้เลือนหมาขี้เลือนเนี่ยพระเจ้าท่านเคยชีย้ให้พระนนท์ดูเมื่อคืนนี้มีหมาตัวหนึ่งมันเป็นขี้เลือนมันนอนอยู่หน้ากุฏิท่านมันนอนมันคิดว่ามันจะสบายเดียวเดียวมันก็คันมันก็เกาเกาเกาแล้ววิ่งไปที่อื่นนะไปหาว่าที่อื่นจะมีความสุขอีก ไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ใต้ต้นไม้ไเดี๋ยวนึงก็ขันเก า, เก า, เกาๆกแล้ววิ่งไปอีกมันทุกข์นะเที่ยวหาความสุขไปเนี่ยทั้งคืนเลยมันวิ่งอยู่อย่างเงี้ยเน่ใจที่มันหิวความสุขนะมันไม่มีความสุขอยู่ในตัวเอง ม, มันเหมือนมาขี้เลือนมันเที่ยววิ่งพล่านพล่นไปนะจ้าใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวนะใจเรามีความสุขใจเราก็จะไม่วิ่งพล่านไป ให้เราคิดถึงความดีอะไรที่เราทําไว้สักอย่างหนึ่งถ้าเรารักษาศีลได้ดีนึกถึงศีลเราทําทานเรานึกถึงทานนะนึกถึงไปหรือไม่มีอะไรจันนึกถึงนึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านมีคุณงามความดีท่านมีปัญญาท่านมีความกรุณาท่านมีความบริสุทธิ์อะเนี้ยนะคิดพิจารณาไปหรือคิดถึงครูบาอาจารย์แต่ครูบาอาจารย์รุ่นนี้ก็ลาบากหน่อยนะ เราไม่รู้ว่าใครเป็นพระจริงพระปลอ ม, มคิดถึงพระพุทธเจ้าว่าปลอดภัยดีไม่ต้องเสียใจทีหลังนะคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมคิดถึงพระสงฆ์พระสงฆ์ก็หมู่สงฆ์สาวกไม่ใช่วงใดวงหนึ่งหรอกนะคุณงามความดีของพระสงฆ์แต่เดิมพระสงฆ์ท่านก็มีกิเลสเหมือนเราเป็นปุถุชนเหมือนเรานี่นะ อาศัยได้เผื่อพืชปฏิบัติในศีลในธรรมนะยกระดับจิตใจจะเข้าถึงความบริสุทธินะ์ท่านเป็นพระสงฆ์ตัวจริงเป็นอริยสงฆนะ์พวกเราก็วันหนึ่งจะเดินตามท่านไปนะแล้วก็จะไปอย่างท่านได้ปนะลุกใจอย่างนี้นะใจมีความเข้มแข็งมีความสุขมีสมาธิขึ้นมาหรือบางทีเราคิดถึงคนดีๆนะอย่างเราคิดถึงพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวทำความดีเยอะออย่างนี้ เราคิดถึงเรามีความสุขนะเรามีความสุขใจเราก็มีสมาธิเกิดขึ้นการที่ถึงคนดีๆแล้วก็มีความสุขแล้วกเกิดสมาธิขึ้นนะเรียกว่าเทวตาโนสติเทวดาเทวดาไม่เฉพาะเทวดาบนฟ้าหรอกมนุษย์ที่มีคุณงามความดีก็เรียกมนุษย์เทโวเป็นมนุษย์เทวดาเรานึกถึงคนดีๆนะเป็นโมเดลที่ดีใจเรามีความสุข หรือเราคิดถึงความตายนะคิดถึงความตายใจก็สงบสุขสำหรับบางคนบางคนคิดถึงความตายแล้วจิตใจเราสำารกสายถ้าคิดถึงความตายแล้วจิตใจเราสำห า, หารกสายก็ไม่เอาถ้าคิดถึงแล้วสบายใจก็คิดถึงพระโบราณท่านแต่งก่อนนะคิดถึงความตายสบายนักมันหักลักหักหลงในสงสารมันเป็ทามืดโมหันอันตรการอะไรนะ ทําให้หานไ ม, ไ, ไม่สุดอะไรไม่สดุ้งจับไม่ได้แล้วนะนี่คิดถึงความตายใ จ, ใจิตใจสบายนะหรือคิดถึงร่างกายของเราเองนะเรามีร่างกายอยู่แล้วแต่เราลืมมันตลอดนะเรานึกถึงร่างกายของตัวเองบ่อยๆนึกถึงผมเป็นยังไงนะผมมีสียังไงนะรูปร่างเป็นยังไงมีสียังไงมีกลิ่นยังไงนะ ไม่ต้องขนาดพิจารณาว่ารถเป็นยังไงนะไม่ต้องชิมนะเวริเวร์ไปนะดูแต่ละส่วนแต่ละส่วนผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแต่ละส่วนแต่ละส่วนดูมันรูปร่างเป็นยังไงมันมีสียังไงมีกลิ่นยังไงมันไม่สวยไม่งามยังไงเหมือนเป็นวัตถุมันเป็นก้อนธาตุาดดเป็นธาตุดินหรือว่าเป็นธาตุน้ําอย่างเงี้ดูค่อยๆดูไปทีละส่วนบางคนพอใจ ấy, ในการพิจารณกาย พิจาร่างกายแล้วจิตใจก็สงบมีความสุขอีกหรือเราตามรู้สึกถึงลมหายใจนะร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกคนไหนที่หายใจแล้วตามรู้การหายใจนะตามรู้ร่างกายที่หายใจแล้วมีความสุขเราก็รู้การหายใจไปจิตใจก็มีความสุขขึ้นมางั้นพวกเราต้องรู้จักหาที่พักให้ใจถ้าเราอยู่ในสังคมเมืองซึ่งมัน ร, ร้อน มีความทุกข์มีปัญหามากมายนะีถ้าเรารู้จักหาที่พักให้ใจให้ใจมันมีความสุขบ้างมันก็สบายนะพอจิตใจมันมีความสุขแล้วนะมันอิ่มเอิบอยู่กับตัวเองเราก็พยายามมาค่อยรู้สึกตัวรู้เนื้อรู้ตัวไ ป, ปจิตใจมีความสุขแล้วอย่าไปเพลิดเพลินหลงโลกไปซะอีกเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านใหม่พอจิตใจเรามีความสุขนะเราก็มารู้สึกอยู่ที่กายมารู้สึกอยู่ที่ใจนะใจหนีไป ใจหนีไปเรารู้ทันใจหนีไปเรารู้ทันฝึกอย่างนี้บ่อยๆตรงที่ใจมันหนีไปใช่ไนหะปกติมันก็หนีไปคิดหนีไปดูหนีไปฟังนะหนีไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยจิตใจมันชอบหนีไปตลอดเวลาเนะีย่ยตอนแรกที่หลวงพ่อสอนนะเรื่องอนุสติต่างๆนะคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงทานถึงศีลถึงลมหายใจถึงความตายอะไรนะ อันนั้นจะได้สมาธิชนิดที่จิตใจสงบมีความสุขถัดจากนี้เราจะมาฝึกสมาธิอีกชนิดหนึ่งยกระดับขึ้นไปเป็นสมาธิที่จะเอาไว้ใช้เจริญปัญญาหรือทำวิปัสสนากรรมฐานสมาธิสงบเนี่ยมันมีความสุขมีความสงบมันสบายนะแต่มันไม่ยอมเดินปัญญามันมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งเนะี่ยมาจิตเนี่ยมันถอนตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน จิตมันถอนตัวออกมาจากเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งนะมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานมาเป็นคนดูไม่ใช่ผู้แสดงนะวิธีที่เราฝึกสมาธิชนิดที่2องนียทายัยางไงดีเราสังเกต ด, ดูใจของเราก็ได้นะอย่างใจเรามีความสุขอยู่เนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหลือไปคิดเรื่องอื่นนะหรือใจเราเป็นยังไงหรือรู้ร่างกายก็ได้เห็นร่างกายหายใจร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายหายใจ อย่าไปดูที่ลมหายใจนะให้ดูร่างกายหายใจการดูลมหายใจกับดูร่างกายหายใจเนี่ยมีผลไม่เหมือนกันถ้าเราดูลมหายใจนจิตมันจะไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเป็นนิ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวได้สมถะกรรมฐานเฉยๆเลยนะไม่ใช่สมาธิที่จะต่อยอดไปเจริญปัญญาหรอกถ้าจะต่อยอดไปเจริญปัญญาเนี่ยทำอีกแบบหนึ่งนะดูกราฟิกสูตรทั้งหลาย ให้เธอคู่บันลังตั้งกายตรงดารงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวท่านไม่ได้บอกให้ดูลมหายใจนะท่านให้ดูเนี่ยร่างกายเนี่ยมันหายใจออกยาวร่างกายหายใจเข้ายาวร่างกายหายใจออกสั้นร่างกายหายใจเข้าสั้นใครเป็นคนหายใจร่างกายเป็นคนหายใจเรารู้อะไรรู้ร่างกายที่หายใจออกรู้ร่างกายที่หายใจเข้านะรู้แล้วจะได้อะไรขึ้นมารู้แล้วมันก็จะเห็น ว่าร่างกายนั้นเป็นส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนไปรู้ร่างกายนั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งจิตมันจะแยกตัวออกมาเป็นคนดูนะเราจะมาฝึกให้จิตเป็นคนดูใช้วิธีอย่างนี้ก็ไดนะ้หรือใชอีกอย่างหนึง่งเรารู้ร่างกายหายใจไปแต่บางทีใจมันลอยใจมันหนีไปคิดเรื่องอื่นให้เรารู้ทันว่าใจมันหนีไปแล้วนะมันลืมร่างกายที่กาลังหายใจมันไม่ดูร่างกายที่หายใจ มนนีไปคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้ให้รู้ทันว่าจิตมันหนีไปทันทีที่เรารู้ทันว่าจิตหนีไปนะจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติทำไมเวลาเรารู้ว่าจิตไหลไปแล้วจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติเพราะจิตที่ไหลไปเนี่ยเป็นจิตที่เคลื่อนไปด้วยความฟุ้งซ่านเป็นจิตที่มีโมหะเป็นตัวผลักดันถ้าเมื่อไหร่เรามีสติรู้ทันว่าจิตกาลังฟุ้งซ่านเมื่อนั้นโมหะจะดับอัตโนมัติ เพราะเมื่อใดมีสติเมื่อนั้นจะไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสตินี่คือกฎของธรรมะงั้นอาศัยที่ว่าเรารู้ร่างกายหายใจไปนี้แหละนะถ้าเราทำได้ดีใจเราตั้งมั่นแล้วเราก็เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูไปแต่ถ้าใจมันยังไม่ตั้งมั่นใจมันหนีมันหนีไปคิดหายใจอยู่ดีๆหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันว่าใจมันหนีไปคิด หายใจไปหายใจไปจิตมันไหลเข้าไปจ้องลมหายใจไปเพ่งลมหายใจรู้ว่าจิตไปเพ่งลมหายใจรู้ทานจิตที่เคลื่อนเคลื่อนไปคิดก็รู้เคลื่อนไปเพ่งก็รู้ให้หัดรู้อย่างนี้บ่อยๆทันทีที่เรารู้ว่าจิตเคลื่อนไปนะจิตจะไม่เคลื่อนโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปรักษามันให้เคลื่อนแล้วรู้ดีกว่ากลัวมันเคลื่อนแล้วคอยควบคุมตัวเองไว ถ้ากลัวมันเคลื่อนแล้วควบคุมตัวเองไว้นะจิตจะไม่มีความสุขจิตไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้บกบานจะเป็นผู้รู้ที่แข็งแข็งใช้ไม่ได้นะเป็นผู้รู้ที่แข็งกระด้างเพราะฉะนั้นเราทุกวันนะเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเช่นเราเห็นร่างกายหายใจอยู่ใจเป็นคนดูถ้าใจฟุ้งซ่านใจมันหนีไปหนีไปคิดก็รู้หนีไปเพ่งลมหายใจก็รู้ถ้าใจมันไม่หนีแล้วเราก็เอาใจที่รู้ตัวอยู่เนี่ย เห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าไปตรงนี้คือการเริ่มต้นของการเจริญปัญญาปัญญาขั้นที่หนึ่งะมันคือนามรูปปริเฉทญาณปัญญาที่สามารถแยกรูปกระนามได้รูปคืออะไรรูปก็คือร่างกายที่กําลังหายใจออกหายใจเข้านามคืออะไรนามคือจิตใจซึ่งเป็นคนไปรู้ว่าร่างกายหายใจออกหายใจเข้าเราจะเห็นว่าร่างกายกับจิตใจนั้นเป็นคนละอันกัน เห็นไหมเนี่ยถ้าจิตเราตั้งมั่นแล้วนะเราถึงจะทําได้ถ้าจิตยังไม่ตั้งมั่นจิตไหลแฉลบไปแฉลบมานะเราทํากรรมฐานไปเช่นเราเห็นร่างกายหายใจอย่างเงี้ยเมื่อจิตมันหนีไปเรารู้ทันจิตไม่จะตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยเราถึงจะแยกขันได้แยกธาแยกขันได้เราก็จะเห็นว่าร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูนะต่อมาเราจะไปยืนไปเดินไปนั่งไปนอนนะไม่ว่าร่างกายเคลื่อนไหวอะไร เราก็าจะเห็นว่าร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายทํางานไปเรื่อยๆแต่ใจเราเป็นคนดูใกล้กับใจเป็นคนละอันกันเนี่ยเบื้องต้นของกรรมฐานในการเจริญปัญญาเนะีเจริญปัญญาเนี่ยถ้าไม่แยกรูปแยกนามนะไม่สามารถเจริญปัญญาได้จริงหลวงตามหาบัวฟันธงเลยว่าถ้ายังแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นอย่ามาคุยอวดเรานะว่าเจริญปัญญาแยกธาตุแยกขันธนะ์แยกธาตุแยกขันธ์เป็นยังไงแยกธาต ร่างกายเนี่ยเป็นธาตุดินน้ำไฟลมนะจิตใจก็เป็นบินญาณธาตุแยอย่างนี้มองเลือกแยกธาตุแยกขันเป็นยังไงแยกขันที่ร่างกายเป็นรูปขันหนึ่งขันความสุขความทุกข์เป็นเวทนาขันนี่เป็นนามความจําได้หมายรู้เป็นสัญญาขันนี่เป็นนามธรรมสังขารคือความปลุงดีปลุงชั่วเป็นอีกขันหนึ่งเรียกสังขารขันเป็นนามธรรม จิตที่ออกรับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนจะเรียกว่าบิญญาณขันธ์นะิญญาณกับจิตก็เป็นสิ่งเดียวกันนะแต่ว่าเวลามันทำหน้าที่ออกไปรับอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเรามักจะเรียกว่าบิญญาณตรงที่เป็นจิตนมักจะเป็นจิตที่สุขที่ทุกข์ที่เสวยอารมณ์ที่อย่างน้นที่อย่างนี้นะ แต่จริงๆก็คืออันเดียวกันธรรมชาติที่รู้อารมณ์เนี่ยถ้าเราแยกได้นะเรจะแยกร่างกายก็อยู่ส่วนร่างกายความรู้สึกสุขทุกข์ก็อยู่ส่วนความรู้สึกสุขทุกข์ความจำก็อยู่ส่วนความจาความปรุงดีปรุงชั่วเช่นโลภโกรดหลงอยู่ส่วนความโลภโกรดหลงไปจิตใจเป็นคนดูอยู่อีกตะหากนะเนี่ยค่อยๆหัดค่อยๆแยกตัวเนี้ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยถ้าเรา แยกไม่ออกนะเราเจริญปัญญายากยกเวน้นยกเว้นคนซึ่งบารมีแก่กล้าเต็มรอบแล้วอย่างในสมัยพุทธกาลนีบางคนไม่เคยได้ยินเรื่องขันห้าไม่เคยได้ยินเรื่องอายตนาหไม่เคยได้ยินเรื่องรูปเรื่องนามเลยได้ฟังคนสรรเสริญพระพุทธเจ้านะจิตรวมปุ๊บเป็นโสดาเลยเพราะฉะนั้นเขาเต็มอยู่แล้วหรือบางคนได้ยินพระพุทธเจ้าเทศกว้างๆเท่านั้นเองว่าชีวิตนี้ไม่แน่นอน เกิดแล้วก็ตายทุกคนเกิดแล้วก็ตายเนี่ยเขเห็นอย่างนี้นะเข้าใจเขายอมรับเลยว่าชีวิตนี้ไม่เที่ยงนะเกิดแล้วก็ตายพวกนี้บารมีแก่กล้ามากนะฟังนิดเดียวบรรลุล้บางคนก็ต้องละเอียดกว่านั้นอีกนะอย่างจะดูชีวิตเนี่ยไม่ใช่ดูว่าตั้งแต่เกิดจนตายดูแค่นี้ก็ บ, บรรลุต้องซอยละเอียดขั้นตอนเราเห็นว่าชีวิตในวัยเด็กของเราอย่างพวกเราส่วนใหญ่ในนี้ชีวิตในวัยเด็กผ่านไปแล้ว ชีวิตในวัยรุ่นบางคนก็ผ่านไปแล้วบางคนกําลังจะผ่านไปนะชีวิตหนุ่มสาวนะบางคนส่วนใหญ่ในนี้ก็ยังหนุ่มยังสาวอยู่ไม่นานมันก็ผ่านไปนะบางคนก็เป็นกลางๆางคนชีวิตกลางคนนี้ไม่นานก็ผ่านไปนะเราไปาก็แก่แก่แล้วไม่นานมันก็ผ่านไปมันผ่านเหมือนกันนะตายไปเนี่ยเขาดูนะว่าชีวิตแต่ละช่วงวัยล้วนแต่เกิดแล้วก็ดับไปมาแล้วก็หายไป หมดไปสิ้นไปบางคนเห็นแค่นี้นะก็บรรูปโสดาแล้วนะใจเขายอมรับความจริงว่าสิ่งใดเกิดสินั้นดับเป็นธรรมดาเขามองเห็นอย่างนี้เลยแต่ถ้าบารมีเราไม่พอนะบุญวาสนาบารมีสติปัญญาเราไม่พอก็ดูให้มันละเอียดขึ้นไปอีกถ้าจะดูแบบนานๆดูทีดูไม่พอกนะิเลสมันลากเราไปหมดเราก็ดูให้ละเอียดละเอียดเราจะเห็นเลยว่าอย่างชีวิตของเราเนี่ยแต่ละวันเราไม่เหมือนกัน บางวันเราสุขบางวันเราทุกข์บางวันเราดีบางวันเราร้ายนะบางวันก็โมโหทั้งวันเนี่ยดูไปแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันพอดูอย่างนี้ได้แล้วต่อไปดูให้ละเอียดขึ้นไปอีกในวันเดียวกันนะเช้าสายบ่ายเย็นเราก็ไม่เหมือนกันตอนเช้ามีความรู้สึกอย่างนี้ตอนสายรู้สึกอย่างนี้ตอนบ่ายตอนเย็นรู้สึกอย่างนี้อย่าตอนนี้อากาศมันเย็นเช้านั้นแดดส่องเรานิดหน่อยนะ เราก็มีความสุขมีลมอ่อนนอนพาสมดมีความสุขพอแดดแรงขึ้นสายขึ้นใสาขึ้นใช่ไหมมันไม่สุขแล้วมันร้อนแล้วนะใจชักกระบ่นกระวายล้ร่างกายที่ทีแรกหน้านวลนวลตอนนี้เป็นหน้าที่มีเหงื่อไหลยเยิ้มนะร่างกายเริ่มสุดโทมลงเนี่ยเราดูนะแต่ละช่วงเวลาในวันเดียวกันเนี่ยร่างกายก็ไม่เหมือนกันจิตใจก็ไม่เหมือนกันนะถ้าดูได้ละเอียดขึ้นไปถึงที่สุดเลยนะเราจะเห็นว่า แต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยร่างกายจิตใจเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ละขณะขณะนี้หายใจออกหายใจออกชั่วคราวขณะที่หายใจออกก็ดับเกิดเป็นขณะที่หายใจเข้าเนี่ยดูร่างกายนีร่างกายเปลี่ยนตลอดเวลาหายใจออกไปครั้งหนึ่งก็แก่ไปทีหนึ่งใกล้ความตายไปทีหนึ่งหายใจเข้าไปทีหนึ่งก็แก่ไปทีหนึ่งใกล้ความตายไปทีหนึ่งเนยจะขยับยืนเดินนั่งนอนเปลี่ยนอิริยาบถไรเนี่ยนะ เราใกล้ความตายเข้าไปเรื่อยๆใกล้ความดับเสื่อมศูนย์ไปเรื่อยๆเนี่ยเราดูในร่างกายเราก็เห็นอย่างนี้เอเรามาดูในจิตใจเราจะเห็นอะไรจิตใจนี้เปลี่ยนเร็วมากเลยนะแค่ตาเรามองเห็นจิตก็เปลี่ยนอย่างเราเห็นของสวยของงามนะเราจะมาฟังธรรมที่ดอกบวัวคู่เนี้ยเดินผ่านตลาดนัดมาเห็นของน่าสนใจยอะแยะเลยกลางทางนะบางคนก็หมายมั่นปั้นมือนะเดี๋ยวจะกลับมาซื้อนะตั้งใจ เนื้อใจมันโลภใจมันโลภเกิดขึ้นแล้วทีแรกตั้งใจจะมาฟังธรรมเนี่ยจิตเป็นกุศลเดินผ่านเห็นข้าวของถูกใจใจมันโลภเดินไปเดินมานะแม่ค้าเอาของมาตั้งเกลกะขวางทางกําลังขนของนะเราเดินมาไม่ได้หงุดหงิดว่าคนจะรีบมาฟังเทศพวกนี้มาขวางทางเนะี่ยใจจะกำลังอยากได้อันนี้แล้มาเจอร้านนี้เกไกลายโมโหอีกแล้วเนื้อใจมันพลิกไปพลิกมา ตามองเห็นอย่างนี้ความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นตามองเห็นอย่างนี้ความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นนะหรือหูเราได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆได้ยินเสียงชมความรู้สึกก็เป็นอย่างนี้ได้ยินเสียงด่าความรู้สึกก็เป็นอย่างนี้นะหรือได้ยินนะเสียงของคนนี้ก็รู้สึกอย่างนี้เสียงของคนนี้รู้สึกอย่างนี้พวกเรามีคนที่เรารู้จักไหที่เสียงเขาเพราะๆแต่เราไม่ชอบหน้าเขามีบ้างไมเราได้ยินเสียงนะทั้งๆที่เสียงเพราะนะ แต่พอเราแปลว่านี่เสียงของอีกคนนี้หรือไอคนนี้นะเกลียดเลยนะโทสะ ข, ขึ้นปริ้นเลยได้ยินเสียงคนนี้ก็โทสะ ข, ขึ้นละเนี่ยหูได้ยินเสียงนะใจก็เปลี่ยนนะจมูกได้กลิ่นใจก็เปลี่ยนนะอย่างนั่งอยู่นี่นะเขได้กลิ่นเขาทําอาหารลอยมานะใจมันก็เปลี่ยนทีแรกใจมันก็สบายๆตอนนี้ใจเริ่มตกะกระเนี่ยเกิดความรู้สึกตะกระขึ้นมาใจมันเปลี่ยนมันมีความโลภขึ้นมาหน้าตาเห็นรูปใจก็เปลี่ยน หูได้ยินเสียงใจก็เปลี่ยนจมูกได้กลิ่นใจก็เปลี่ยนลิ้นได้รสใจก็เปลี่ยนนะสิ่งต่างๆมันกระทบร่างกายใจก็เปลี่ยนตอนหลวงพ่อหยุดพูดสังเกตไหมใจก็เปลี่ยนเนี่ยมันเปลี่ยนตลอดเวลาเจอคนหลายใจหรือยังจะ <c oughs> หาคนหลายใจไม่ต้องไปหาที่อื่นหรอกนะดูอยู่เนี่ยเจอตลอดเวลาเลย ตามองเห็นใจเปลี่ยนไหมูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจก็เปลี่ยนใจคิดใจก็เปลี่ยนนะอย่างเราคิดถึงคนนี้มีความสุขคิดถึงคนนี้มีความทุกข์คิดถึงคนนี้อาฆาตนะคิดถึงคนนี้ปรับปริ่มใจนะความรู้สึกมันเปลี่ยนนะคิดถึงไปแล้วสุขบ้างทุกบ้างโลบโกรธหลงบ้างคิดถึงอยากได้โทรศัพท์ใหม่นะ ใจพอคิดถึงปุ๊บใจมันโลภอยากไดนะ้หรือบางทีนั่งอยู่ดีๆนะหน้าของคนคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาไม่ได้คิดถึงนะไม่เคยคิดถึงมาหลายปีแล้วอยู่ๆใจมันก็คิดถึงไอ้คนนี้โผล่พลวดขึ้นมาพอเห็นหน้ามันในใจเรานะตัวจริงอยู่ไหนไม่รู้อะแค่หน้ามันโผล่ในใจเราบางคน ก, ก็เกิดโลภเกิดโกรธเกิดหลงไดนะ้เกิดสุขเกิดทุกข์ได้ในแค่ใจคิดนะจิตก็เปลี่ยนแล้ว เวลาที่เราจะเจริญปัญญาในขั้นละเอียดขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นนะเ<ห>มื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ใจมันเปลี่ยนแต่ว่าไม่ว่ามันจะเปลี่ยนเป็นสุขหรือมันจะเปลี่ยนเป็นทุกข์มันจะเปลี่ยนเป็นดีหรือมันจะเปลี่ยนเป็นชั่วสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายนะั้นเป็นของชั่วคราวความสุขที่เกิดขึ้นจากการดูการฟังการได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสเนี่ได้คิดนึกก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์เกิดขึ้นแล้วอยู่ชั่วคราวแล้วหายไป กูสนอยู่ชั่วคราวแล้วหายไป โ, โลบโกรธโลงเองอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเนี่ให้เราคอยรู้คอยดูนะอย่างในร่างกายเราเนี่ยหายใจออกแล้วชีวิตร่างกายเราแล้วก็ค่อยๆตายไปทีละหน่อยนะหายใจเข้าเราก็ตายไปหน่อยองในจิตใจนี่ก็เหมือนกันนะชีวิตเราหมดไปสิ้นไปความรู้สึกต่างๆมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเห็นแต่ทุกสิ่งผ่านมาแล้วก็ผ่านไปถ้าเราเห็นได้บ่อยๆนะ ใจเราจะยอมรับความจริงเร็วถ้านานๆเห็นทีใจจะไม่ยอมรับอย่างถ้าคนไม่เคยหัดรู้หัดดูนะไม่คิดว่าเราเนี่ยเที่ยงพวกเราคิดไมมว่าวันนี้เราจะตายมีใครคิดบ้างว่าวันนี้จะตายยกมือให้ดูซิไม่มีเลยเนาะใครคิดว่าปีนี้จะตายยกมือซิปีนี้ก็ยังไม่ตายอีกอัศจรรย์หนอใครคิดว่าจะอยู่ได้อีกห้าปีมีไหม เกินหปีโอยังคิดว่าอยู่ได้นานนะรวมความก็คือคิดว่าคนอื่นตายได้แต่เราจะยังไม่ตายเนะนี่ยธรรมชาติเราจะรู้สึกอย่างนั้นเลยพาเราคิดอย่างนี้นะเรียกว่าเราประมาทลนะเราประมาทนะแต่ถ้าเราหัดภาวนานะเราจะเห็นว่าเราตายอยู่ตลอดเวลานะหายใจออกก็ตายไปหน่อยหนึ่งหายใจเข้าก็ตายไปหน่อยหนึ่งเปลี่ยนอตรยาบทแต่ละทีก็ตายไปอีกหน่อยหนึ่ง หรือความสุขความทุกข์มานะจะเห็นเลความสุขมาแล้วก็ไปความทุกข์มาแล้วก็ไปมีแต่ของที่ตายไปตายไปเรื่อยๆนะอะไรที่เกิดขึ้นมาล้วนจะดับไปดับไปทั้งสิ้นเลยถ้าเราเห็นอย่างนี้นะจนวันหนึ่งเห็นบ่อยๆใจมันยอมรับความจริงว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาถ้าเห็นได้อย่างนี้นะใจจะค่อยๆเข้าถึงธรรมะใจจะเข้าถึงธรรมะได้พระโสดาบันไม่ใช่คนประหลาด รัศดรบันก็คือคนธรรมดาอย่างเรานี่แหละแต่ใจมันฉลาดใจมันเห็นความจริงเมื่อสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับตัวตนที่แท้จริงที่ถาวร น, นั้นไม่มีนะอย่างพวกเรารู้สึกไหมเรามีตัวตนที่ถาวรในเนี้ยมีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้กับเราตอนเด็กๆ เ, เป็นคนเดียวกันเราคนนี้กับเราเย็นวันนี้ก็ยังเป็นคนเดียวกันเราเดี๋ยวนี้นะที่อยู่ขะเราเนียความรู้สึกเป็นเราเนี้ย แกอีก10ปีนะก็ยังเป็นเราอีกขนาดตายแล้วนะยังคิดว่าเราจะไปเกิดใหม่ยังมีเราอีกนะเน่ความรู้สึกของปุถุชนจะเป็นอย่างนั้นแต่โพรตาบันนะพระโสดาบันเนะี่ยนะรู้ว่าไม่มีเรามีแต่อะไรมีแต่รูปธรรมนามธรรมมีแต่ขันห้ามีแต่ธาตุต่างๆนะไม่มีเจ้าของเป็นของโลกอย่างร่างกายเนี่ยเป็นของโลกเห็นได้ง่ายๆเลยร่างกายของเราที่ว่าเป็นของเราของเราเนี่ยเนื้อหนังมังสาเราเอามาจากไหน เราเอามาจะอาหารใช่ไหมเบอร์ต้นอาศัยธาตุของพ่อของแม่คนละครึ่งเซลล์เกิดขึ้นมาอาศัยแม่เป็นคนเลี้ยงอยู่ในท้องคลอดออกมานะแล้วก็อาศัยอากาศข้างนอกนี้อาศัยน้ําอาศัยอาหารมาเลี้ยงร่างกายนีนะ้เลี้ยงจนโตโ ต, โตไปนะต่อไปมันแตกสลายมันก็คืนบางคนพอตายก็เอาไปฝังนะหรือตายแล้วเอไปเผาเป็นขี้เถ้า มือเป็นกระดูกเอาไปโยนน้ำาปขีเท่าไปโยนดินอะรอย่างเงี้ยไปโยนลงตรงไหนนะบางทีสัตว์มันก็ไปกินต้นไม้มันไปกินนะเสร็จแล้วเราก็ไปกินสัตว์นั่นอีกกินพืช น, นั่นอีกในร่างกายเราเนี่ยมันมีาธาตุเก่าๆซึ่งคนอื่นเคยเป็นโจกของมาก่อนเราใครกลัวผีบ้างในตัวเราเนี่ยนะมีสมบัติของผีเต็มไปหมดเลยไปยืมผีมาใช้นะ กลัวมันแล้วจะหนีไปไหนลนะ่ะรู้หรือเปล่าว่าผมของเราเส้นนี้ไปยืมผีที่ไหนมามันยืมโลกมาใช้นะแล้ววันหนึ่งมันต้องคืนเขาแล้วคนอื่นก็เอาไปใช้ต่อนะคนอื่นไปใช้ต่อเป็นสมบัติลัดกันชมนะงั้นน่ารักมากไหมผีเต็มตัวเลยนะน่ารัก เนี่ยเราค่อยๆรู้ค่อยๆดูนะมันมีแต่ของที่อยู่ชั่วคราวของที่ยืมเข้ามาวันหนึ่งต้องคืนเข้าไปจิตใจนี่เรานึกว่าเป็นของเราเหรอถ้าเราหัดภาวนาไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าจิตใจนี้เราสั่งมันไม่ได้จริงเราสั่งให้มันมีความสุขสิมันมีไหมเราห้ามว่าอย่าทุกข์มันทุกข์ไหมสั่งให้มันดีมันดีได้จริงหมบอกมันว่าอย่าชั่วอย่าโลภอย่ากลวอย่าหลงมันโลภกรัหลงไห ถ้าไปดูของจริงนะก็จะเห็นนะสั่งไม่ได้มันจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วจะสุขแค่ไหนนานแค่ไหนนะก็สั่งไม่ได้จ ะ, จะทุกข์ขแค่ไหนจะทุกข์นานแค่ไหนก็เนละือกไม่ไ ด, นนไไดนะ้ตั้งใจจะไม่โกรธก็โกรธเคยไหมตั้งใจจะไม่โกรธแล้วโกรธไหมยิ่งตั้งใจยิ่งโกรธนะเพราะมคอยระวังตั้งใจว่าจะไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธนะสุดท้ายตบะแตกก็โกรธ นะตั้งใจจะไม่รักเคยมีไหมตั้งใจจะไม่รักเสือแป๊บเดียวไปแต่งงานกับเขาแล้วนะนะตั้งใจพวกเราลองตั้งใจไม่หลงซิตั้งใจไม่หลงลองดูซิเราจะไม่หลงคิดเราจะรู้สึกตัวโดยไม่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดแล้วหลองพ่อจะลองให้ทดสอบดูซิจะคิดไม่คิดคิดอุดาลุดเลยเห็นคิดแล้วใจเราไหลไปที่ความคิดไหมสังเกตให้ดี ใจนะ่ะมันคิดห้ามมันไม่ได้แต่ใจที่ฝึกดีแล้วไม่ไหลเข้าไปในความคิดใจที่ฝึกไม่ดีจะไหลเข้าไปอยู่ในโลกของความคิดเดี๋ยวลองสังเกตนะหลวงพ่อจะหยุดพูดเราดูซิตามนั้นคิดแล้วเนี่ยใจเราไหลเข้าไปอินกับความคิดหหรือต่างคนต่างอยู่ลองสังเกต ด, ดูไปเกือบหมดแล้วเนาะ <laughs> เอาพอละ รู้สึกบางคนจะไหลไปไกลมากเลยประเภทเรียกไม่กลับนะนะไหลไปไหนไปพรหมโลกบอกให้ลืมตาซิ <mm> ใจมันหนีไปนะมันไม่มาอยู่กับตัวเองเมื่อกี้เห็นตัวอะไรหัวล้อไหมเห็นตัวอะไรพยักหน้าไหมลองพยักหน้าซิลองยิ้มซิเห็นตัวอะไรยิ้มไหม เนี่ยหาดูสึกไปนะจะเห็นนักกายกับใจเนี่ยคนละอันกันนะหรือสุขทุกข์ดีชั่วน้ำผ่านเข้ามาในใจก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเนี่ยคอยรู้คอยดูไปเรื่อยสุดท้ายปัญญามันเกิดเราเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้าแล้วซ้ําอีกนะแล้วปัญญามันเกิดว่าทุกอย่างนี้เป็นของชั่วคราวทุกอย่างไม่ใช่ของเราหรอกร่างกายก็เป็นของโลกยืมเข้ามาใช้จิตใจนี่ไม่ใช่ของเราในแง่มุมที่ว่าไม่อยู่ในอานาจบังคับบังคับไม่ได้ สั่งให้ดีไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้ความชั่วมาแล้วสั่งให้ไปเร็วๆก็ไม่ไปความดีแล้วมาสั่งให้อยู่นานๆก็ไม่อยู่เนี่ยสั่งมันไม่ได้มันไม่ใช่เราในแง่ร่างกายนะก็ดูในแง่ที่มันเป็นวัตถทุที่เราหยิบเข้มาใช้เป็นของโลกเป็นของที่ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลามีแต่ความทุกข์ นั่งอยู่ก็ทุกเดินอยู่ก็ทุกนอนอยู่ก็ทุกหายใจออกหายใจเข้ามีแต่ทุกดูอย่างนี้เรื่อยๆไปก็เป็นแค่วัตถุยืมเข้ามาใช้ถึงวันหนึ่งก็คืนเข้าไปในแง่ของจิตใจก็เห็นว่ามีแต่ความเปลี่ยนแปลงคือความไม่เที่ยงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแล้วก็เป็นอนัตตาคือสั่งไม่ได้จะสุขหรือจะทุกข์จะดีหรือจะชั่วเลือกไม่ได้นี่ดูลงไปจนใจมันยอมนะไก่นี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เรา ถ้าเห็นอย่างนี้ได้ก็ได้พระโสดาบันแต่ไม่ใช่นึกเอาเองนะบางคนบอกว่าหลวงพ่อบอกให้ดูกายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราก็รีบมานั่งดูกายไม่ใช่เราแล้วไม่ไม่ใช่เราไหนใจละ่ะใจไม่ใช่เราแล้วเป็นโสดาบันไม่ใชนะ่พวกนี้โมเมแล้วดูซ้าดูแล้วดูอีกนะจนใจมันยอมจริงๆอะจิตมันจะรวมมันจะมีกระบวนการเวลาที่อริยมรรคเกิดเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆเบอกว่าเกิดแล้วนะ มีกระบวนการที่อริยมรรคเกิดจิตมันจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิถึงเราไม่เคยเข้าฌานนาทีที่อริยมรรคเกิดจิตมันจะเข้าฌานอัตโนมัตินะเข้าอัตโนมัติเลยรวมปุ๊บลงไปบางคนนะเข้าถึงฌานที่8เลยโลกธาตุดับนะสัญญาแทบจะดับเลยอะไรอะไรแทบจะดับหมดเลยเหลือแต่ความรู้สึกอยู่นิดเดียวเลยถึง ข, ขนาดนั้นก็ได้นะบางคนจิตรวมลงไปโลกก็ยังอยู่นะแต่จิตตัด ความสนใจในรูปเสียงจิรถสัมผัสภายนอกนจิตรวมลงที่จิตอันเดียวน ะ, ะยังมีกายยังมีอะไรอยู่อย่างงี้ยยังมีการหายใจมีอะไรอยู่นะแต่ว่าจิตมันจะรวมมันจะไม่แส่สายไปทางตาหูจมูกลิ้นกายจิตจะรวมลงที่จิตพอจิตรวมลงที่จิตนะอย่างน้อยปฐมฌานขึ้นไปนรวมลงในปฐมฌานจนถึงัานที่8 ได้8ดฌานตัวนี้ถัดจากนั้นจิตมันจะเห็นสภาวธรรมเกิดดับอยู่ภายในสองสาขณะพอเห็นสภาวธรรมเกิดดับแล้วพอมันรู้แจ้งในสภาวธรรมมันจะวางการรับรู้นั้นมันทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้จิตมันจะทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้พอเข้าถึงธาตุรู้แล้วอาสระกิเลสเนื้อกิเลสที่มันห่อหุ้มจิตอยู<ม>่จะถูกอริยามรรคเนี่ยแหวกออก ทำลายออกนะจิตจะเป็นอิสระขึ้นสองสขณะนะเป็นพระโสดาเนี่ยสัมผัสพระนิพพานอยู่2อสขณะเท่านั้นเองเกิดอริยมรรคขณะหนึ่งเกิดอริยผลอีก 2- อสาขณะจนะเห็นนิพพานสูงสุด4ขณะเท่านั้นขณะหนึ่งนิดเดียวนะแวบบเดียวเท่านั้นะ พ, อพอถอยพอเกิดอริยมรรคอริยผลเสร็จจิตมันจะถอนออกมาสู่โลกข้างนอกอย่างพวกเราอย่างเนี้ย แล้วเสร็จแล้วจิตจะทวนกลับเข้าไปพิจารณาว่ากิเลสอะไรฆ่าไปแล้วกิเลสอะไรยังอยู่กิเลสที่ฆ่าตายไปแล้วอันไหนฆ่าด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาอันไหนฆ่าด้วยมรรคนะไม่เหมือนกันฆ่าด้วยสติสมาธิปัญญาเนี้ยเดี๋ยวก็เกิดใหม่ถ้าฆ่าด้วยมรรคเนี้ยจะไม่เกิดอีกนะกิเลสตัวที่ถูกมรรคฆ่าตายแล้วเนี้ยจะตายถาวรนะจะไม่เหมือนกันอย่างเวลา ภานาไปคิดว่าบรรลุแล้วนะกลับมาอยู่กับโลกข้างนอกเนี่ยต้องสังเกตให้เดีย๋ยอย่าให้ใจค้างอารมณ์ของฌานออกมาถ้าค้างอารมณ์ของสมาธิลึกๆออกมานะมาอยู่ข้างนอกเนี่ยจิตค้างออกมาด้วยเดีย๋ยวทำหน้าให้ดูเนี่ยเห็นไหมเราต้องใช้จิตที่ธรรมดาอย่าเอาจิตในรูปฌานจิตในอรูปฌานนะมาเป็นเครื่องวัดกิเลสเพราะว่าจิตในรูปฌานอารูปฌานนะั้นกิเลส ท, ทางานได้ไม่เต็มที่ เราต้องใช้จิตที่เรียกว่ากามาวจรจิตกามาวาจรจิตคือจิตที่มันร่อนเร่ไปในกามาคุณอารมณ์จิตที่วิ่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคือจิตของคนธรรมดาอย่างพวกเรานี้แหละแล้วดูว่ามีกิเลสหรือเปล่าดูดูด้กันตรงนี้นะไม่ใช่ทรงชาญอยู่แล้วบอกว่าไม่มีราคาไม่มีโทสะใช้ไม่ได้หรอกมันดูปลอมครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อมานะท่านคงพิจารณาแล้วล่ะว่า ถ้าเราไปบอกว่าใครบรรลุอะไรตออะไรนี่นะมีปัญหานะเพราะคนที่จะชี้ขาดได้ว่าใครบรรลุโสดาสาัค า, าคานาคาผ้ารหันเนี่ยคือพระพุทธเจ้านะคนที่เหลือที่จะพยากรได้คือตัวเองรู้ด้วยตัวเองนะรู้ด้วยตัวเองแล้วอย่างเป็นพระเนี่ยบอกกับพระด้วยกันได้นะแต่ท่านให้ทดสอบท่านบอกว่าอย่าเชื่อนะไม่ปฏิเสธแต่ไม่เชื่อต้องทดสอบดูนะ ถ้าบอกว่าเป็นภาพอาหารเนี่ยตั้งคำถามได้เลยถามไม่กี่คำถามก็รู้แล้วว่าใช่ไม่ใช่ น, ะนีถ้าพวกเราไม่มีพระท่าเจ้ามาชี้ขาดให้ครูบาอาจารย์ก็ไม่อยากชี้ขาดให้หลนะวงพ่อก็ได้รับคาสอนจากครูบาอาจารย์มานะบอกว่าให้สังเกตสัก3ามเดือนให้สังเกตสักสามเดือนว่ากิเลสตัวซึ่งอริยมรรคควรจะฆ่าตายนะมันกลับมาอีกไหม ให้ดูสักสาเดือนแต่ตอนดูเนี่ยจิตต้องเป็นจิตของคนธรรมดาอย่างนี้นะไม่ใช่จิตทรงฌานมันจะไม่เห็นกิเลสไม่ใช้จิตธรรมดานี้แหละทำไมท่านให้ดูทั้งสเดือนเพราะ3มเดือนมันคงทรงฌานไว้ได้ทั้งสามเดือนหรอกคงมีเวลาที่หลุดออกมาบ้างนั่นให้ดูนานๆเนี่ยในพรรษาเขามีพระนะมาหาหลวงพ่อตั้งแต่ก่อนข้าวพรรษาหน่อยเพราะสงสัยจะได้ธรรมะละมั่งอย่างงี้ยนหะลวงพ่อบอกไปดู3มเดือน ก่นะอออกพรรษานี้มานะก่อนออกพรรษาหน่อยหนึ่งมาท่านเห็นเงาเห็นเงาของความเป็นตัวตนนะเกิดขึ้นในใจลนะเนี่ยเห็นถ้าจิตน่งสรงสมาธิอยู่มันไม่เห็นนะเพราะงั้นเวลาที่พวกเราภาวนานะถ้าเราเกิดอะไรแปลกๆนะก่อนที่จะมาตัดสินตัวเองนะสังเกตก่อนจิตไปติดล็อกอะไรอยู่หรือเปล่าถ้าจิตติดล็อกนิ่งๆเฉยๆอยู่เนะี่ยล็อกอย่างเนี้ยทำหน้าให้ดูนะ โอเวอร์แอคชั่นนิดหนึ่งนะเพราะว่าเนี่ยดูซิราคามีไหมไม่มีโทสะไม่มีะจะเป็นอย่างนั้นนะใช้ไม่ได้เลยเพราะว่าไม่เห็นตัวจริงตัวจริงไม่แสดงเพราะว่าอำนาจของฌานนั้นข่มไว้นะดางั้นต้องใช้ใจของมนุษย์ธรรมดาเนี้แหละเวลาทำวิปัสสนานะใจที่ดีที่สุดก็คือใจของมนุษย์ธรรมดานี้แหละ ใจของมนุษย์ธรรมดาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายหมุนไปเรื่อยๆนะทาวิปัสสนาใจของเรานี่แหละดีที่สุดนะถ้าตอนที่จะวัดมรรคผลนะก็ต้องวัดในใจของคนธรรมดาอย่างนี้แนหะอย่าไปวัดในฌานนะค่อยๆดูไปนะใจมันจะค่อยพัฒนาขึ้นไปวันนี้เลยเทศน์แต่เรื่องศีลเทศเรื่องศีล น, นะแล้วเรารักษาศีลให้ดีเกิดสมาธิเกิดความสุขความสงบ มีความสุขความสงบพอสมควรแล้วเรามาฝึกสมาธิอีกชนิดหนึ่งสมาธิชนิดตั้งมั่นนะอาจจะหายใจเห็นร่างกายหายใจไปใจหนีไปเรารู้ใจหนีไปเรารู้นะใจมันก็ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานพอใจตั้งมั่นแล้วก็เจริญปัญญาเจริญปัญญาเบื้องต้นก็แยกรูปนามเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูนี่แยกรูปธรรมนามธรรมา นะต่อไปนามธรรมเราก็แยกละเอียดออกไปอีกนามธรรมมีทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วทั้งความรับรู้เนี่ยค่อยๆดูค่อยๆแยกไปแยกไปเพื่ออะไรเพื่อวันหนึ่งจะเห็นว่าแต่ละตัวแต่ละตั ว, ตตวเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นแต่ละตัวไม่ใช่ตัวเราเนะี่ยดูเพื่อให้เห็นสิ่งเหล่านี้ถ้าเห็นสิ่งเหล่านี้จนใจมันยอมรับกระบวนการแห่งอริยมรรคก็เกิดขึ้นก็จะล้างกิเลสเมือล้างกิเลสแล้วก็ต้องตรวจสอบตัวเองว่าคล้างจริงหรือไม่จริง เวลาตรวจสอบเพราะใช้ใจของคนธรรมดาเนี่ยเราดูว่ากิเลสมีไหมอย่าไปให้ใจล็อกนิ่งๆข้างๆอยู่กลางอากาศแล้วก็บอกไม่มีกิเลสตัวนั้นวัดไม่ได้นะพอได้หลักนะพอสมควรมีใครถามอะไรไหมมีหมลวงพ่อแนะนำอย่างนี้น ะ, ะเวลาเราสงสัยในการปฏิบัติเนี่ยเราใช้ความสังเกตให้มากหน่อยนะช่วยตัวเองให้เยอะนิดนึง บางคนคิดคิดธรรมะนะแล้วก็สงสัยสงสัยแล้วก็ถามได้คําตอบแล้วเอาไปคิดต่อแบบนี้ไม่มีประโยชน์เลยไม่ได้ปฏิบัติหลวงพ่อเนี่ยเวลาสงสัยในกรรมฐานนะจะปฏิบัติก่อนปฏิบัติจนกระทั่งเรามั่นใจแล้วถึงไปถามครูบาอาจารย์ว่ามันใช่ไม่ใช่หรือบางทีปฏิบัติแล้วมันไม่ไม่ไหวจริงๆอะ่ะก็ถึงที่ไปถามนะพยายามช่วยตัวเองให้มาก คำถามบางคําถามนะหลวงพ่อใช้เวลายี่ิบกว่าปีใช้เวลา20่กว่าปีนะไม่จะได้คําตอบอยังมีคําถามอยู่คําถามหนึ่งหลวงพูดดูนบอกให้ดูจิตพระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกจิตมันเหมือนเป็นคนดูมันอยู่ข้างบนนี่ทุกมันเหมือนมันทํางานอยู่กลางหน้าอกนี่วัตตะมันบนอยู่กลางหน้าอกเราควรจะดูตรงนี้หรือเราควรจะดูตรงนี้จะดูที่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหรือจะดูที่จิตที่เป็นคนดู หลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตพระพุทธเจ้าบอกให้ดูทุกข์ทุกข์มันหมุนอยู่นี่ไอ้นี่เป็นคนดูไม่เห็นไม่ทุกข์ตรงไหนเลยนะสงสัยทําไมหลวงปู่ดูลสอนไม่เหมือนพระพุทธเจ้าแล้วเราจะปฏิบัติยังไงว่าจะขยับจะถามหลวงปู่นะเอาไว้ก่อนเดี๋ยวดูก่อนขอดูก่อนดูด้วยตัวเองดูอยู่นานพอสมควรยังไม่รู้เรื่องเลยหลวงปู่สิ้นไปก่อนเข้าไปอยู่กับหลวงปู่เทศว่าจะถามหลวงปู่เทศเดี๋ยวเอาไว้ก่อนขอดูก่อน หลวงปู่เทศก็สิ้นไปนะจนครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อนะ่ยสิ้นไปเยอะเลยนะสุดท้ายนะใช้เวลา20กว่าปีนะถึงเข้าใจอ๋อพระพุทธเจ้ากับหลวงปู่ดูลพูดอันเดียวกันแหละแต่พูดกันคนละภาษาคนละเวอร์ชันคนละระดับพระเจ้าสอนในหลักการให้รู้ทุกทุกคือรูปคือนามนะหลวงปู่ดูลเนี่ยสอนจุดสุดท้ายของการปฏิบัติจุดสุดท้ายของการปฏิบัติเนี่ยเมื่อสติปัญญาแก่รอบแล้วนะนะนะมันเห็นรูปนามทั้งหลายเป็นทุกข์นะมันวางไป มันเข้ามาที่จิตตรงเดียวต่อเมื่อเห็นจิตนี้เป็นตัวทุกขนะ์เห็นจิตนั่นแหละเป็นตัวทุกนะข์ก็จะปล่อยวางจิตเห็นไหมนี่ก็คือคําว่ารู้ทุกข์ของพุทธเจ้านั่นเองรู้ทุกข์ตัวสุดท้ายคือรู้ว่าจิตเป็นทุกข์นั่นเองนะอันเดียวกันนั่นเองแต่กว่าจะภาวนานะกว่าจะค่อยเข้าใจที่ท่านสอนใช้เวลาเหมือนกันแต่ว่ามันทําให้เราแกล่งนะยกเว้นพวกที่คิดว่าตัวเองจะต้องนอกลู่นอกทางนะถึงจะต้องต้องถามนะพวกนี้ก็ต้องถาม นะถ้าคิดว่าอย่างพอสังเกตใช้หลักที่ครูบาอาจารย์สอนมาสังเกตตัวเองได้นะใช้สังเกตเอาการสังเกตเอาด้วยความแยกายในหลักที่พระพุทธเจ้าบอกไว้เนี่ยเรียกว่าโยนิโสมนสิการในยุค ข, ของเราเนี่เราหากัลยาณมิตรยากเราไม่รู้ว่าใครคือกัลยาณมิตรคือคนที่จะสอนเราได้ถูกนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องใช้ให้มากขึ้นนะ่ะคือโยนิโสมนสิการใช้ความแยกายใช้ความสังเกตว่าสิ่งที่เราดําเนินอยู่เนี่ย มันสอดคล้องมันอยู่ในรูปทางที่พระพุทธเจ้าสอนหรือเปล่านะอย่างเราจ ะ, จะเจริญปัญญาเนี่ยเราเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามไหมถ้าเราไม่ได้เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามนะอยู่ๆภาวนาจิตวูบไปเฉยๆนะแล้วเราบอกเราบรรลุแล้วบรรลุแล้วเนี่ยต้องตั้งใจสังเกตให้ดีนะว่ามันจริงหรือมันปลอมนะทําไมมันขัดกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกพระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกเราพยายามละทุกเนะนี่ยมันไม่ตรงที่พระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้ก็มีนะ ใช้ความสังเกตให้มากเลยเอาใครจำเป็นจะถามป้ามาการนมัสการค่ะหลวงพ่อคือคือตอนนี้หนูภาวนาชั่วโมงน้อยลงเยอะค่ะแล้วเมื่อวานภาวนาอะไรนะอ๋อเวลาที่ภาวนามันน้อยลงค่ะแล้วก็เมื่อวานคือนึกว่าตัวเองพอรู้สึกตัวได้จนเมื่อวานรู้สึกว่ามาดูอีกทีมันมัวมัวมากๆเราต้องทำในรูปแบบนะ ต้องแบ่งเวลาไว้สมัยเป็นชีกับสมัยเป็นโยมเนี่ยมันต่างกันแต่ชีบางวัดก็ไม่ได้ว่างเลยนะงานมากยิ่งกว่าเป็นโยมอีกเมื่อชีบางวัดนะงั้นหลวงพ่อไม่ค่อยแนะนําว่าเราต้องบวชกันทุกคนหรอกนะเราเป็นฆราวาส น, นี่แหลนะแล้วเราสังเกตดูเราเหมือนกับทำได้เม็เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ว่าภรรษานั้นมันชัดเจนอารมณ์ที่มากระทบมันแรงกว่าตอนที่บวชนะงั้นมันเป็นของที่ดูง่ายกว่ากัน ขอเพียงแต่มีสติมีใจตั้งมั่นมีใจที่เป็นกลางแค่นี้เองเราก็จะเดินของเราได้ไม่จะไปกังวลมัวมัวแล้วเกิดปัญหาอะไรมัวรั่วมัวสิมัวแล้วใจไม่ชอบไม่เห็นว่าใจไม่ชอบนี่คือปัญหาเพราะงั้นถ้ามันมัวไม่จําเป็นต้องใสมัวรั่วมัวใจไม่ชอบใจอยากให้หายมัวรู้ว่าใจอยากแค่นี้เองหลวงพ่อก็เคยเป็นนะ ตอนนั้นบวชพรรษาแรกพรรษาแรกเนี่ยใจยังมัวได้โมโหตัวเองมากเลยพนานาของมึงยังไงวะมัวได้อีกนะไม่ยอมนะสู้ตายเลยสว่างขึ้นมาอยู่ได้พักหนึ่งมัวไปก็ทนไม่ได้เลยใจมัวนิดหนึ่งก็ทนไม่ได้มองๆก็ทนไม่ได้นะในสุดวันหนึ่งฉลาดขึ้นมาหลังจากโง่มานานนะฉลาดในแง่ที่เห็นขึ้นมาว่าจิตมันมันมวใจเราไม่ชอบมันนะ่ะ ไม่เห็นตรงที่ไม่ชอบไม่ยอมดูตรงนี้พอดูตรงนี้นะรู้ว่าใจไม่ชอบความมัวนะใจเป็นกลางความมัวน่ะขาดสะบั้นไปเลยตั้งแต่นั้นมันไม่มัวให้เห็นอีกเลยอนะแต่แต่จริงๆหนูควรจะต้องทําสมถะเพิ่มใช่ไหมคะสมถะทำอย่างที่หลวงพ่อ บ, บอกนะเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดู ค, คืออย่างนี้อนะค่ะแล้วอีกช่วงเนี้ยมันจะมันจะเจ็บที่กลางอกแล้วมันจะมันเกินจริงทุกอย่างที่ออกลางอกมันไม่ใช่ของจริงนะะ ไม่ใช่ของจริงเราใช้ลมหายใจ<ะ>หายใจไล่ตั้งแต่ก้านสมองรู้จักใช่ไหมการสมองตรงนี้<ะ>หรือเราใช้ลมหายใจนะหายใจไล่าการสมองลงไปตามกระดูกไขสันหลัง<ะ>ไปถึงก้นกบอย่างนั้นก็ได้ถ้าสมาธิเราดีเราใช้รัดสมีของจิตนะไม่ต้องใช้ลมแต่ใช้แสง พอเราหลับตาเนี่ย get, <procure. S 1> รู้สึกไหมมันมีแสงสว่างเราหลับตาสิแล้วรู้สึกไหมข้างหน้าเราสว่างค่ะเนี่ยเราใช้แสงสว่างเนี่ยไล่ไปตามก้านสมองเนี้ค่อยๆดูไปไอ้สิ่งที่แปลกปลอมเข้ามานะมันจะกระเด็นหลุดไปเองแหละคือหนูรู้สึกพอหนูไปไ ป, ไปไล่แล้วมันจะเพ่งเกินเกิไนไปไเพ่งไม่ได้ต้องรู้เล่นๆ เ, เราเราให้จิตเราสัมผัสก้านสมองนะเหมือนเราลูบหลังแมว เหมือนเราลูบหัวแมวอะนะลูบหัวแมวปุ๊บปุ๊บงี้แมวกัดตายใช่หไหมลูบแผ่วๆด้วยความเอนะ็นดูนีใช้ความรู้สึกที่เอ็นดูมันมันก็เหมือนสัตว์ตัวหนึ่งนะก้านสมองเนี่ยเป็นสมองของสัตว์เลื้อยคลานที่เรายังเก็บเอาไว้นะนะนะเราทำเนะ่รู้สึกไปนะตรงไหนที่แปลกปลอมพอมันจะหลุดออกไปตอนหลุดเจ็บนิดหน่อยนะนะ <c oughs> เหมือนเราถอนหนามออกไป คือไล่แค่กระดูกไม่ต้องไปไล่ที่กลางอกใช่ไหมคะเออไม่ต้องอ่ะก็ไล่ตามกระดูกสันหลังไปตั้งแต่ก้านสมองนั่นแหละขอบคุณมากค่ะหลวงพ่อก็ต้องรู้จักวิธีป้องกันตัวเหมือนกันเพระมาณมันรังแกเอามารนะมันมีทั้งห้าชนิดนะมารเวลาใครภาวนาผิดเนี้ยมารไม่ยุ่งเลยแต่ถ้าใครภาวนาถูกแล้วมารจะยุ่งมารมีห้าอย่างนะบางอย่างเป็นมารภายในบางอย่างเป็นมารภายนอก มารภายในนะแรกก็ขันธมาครคืร่างกายนี่เอร่างกายเนี่ยมันคอยเจ็บคอยปวดค่อยหิวคอยหนาวคอยร้อนเลยนะทำให้มันไม่มีเรีเรเร่ยวมีแรงอยภาวนานะหรือมัจจุมาลความตายก็อาศัยอยู่ในร่างกายนี่ถึงเวลาก็ทําลายตายซะก่อนไม่ได้มรรคผลมารอีกพวกหนึ่งอยู่ในใจคือกิเลสมารกัอาภิสังขารมารกิเลสกับความฟุ้งซ่านความปรุงของจิตนะความคิดมาก นันก็เป็นมารชนิดหนึ่งเนี่ยมารภายในนะมีทั้งส่วนที่เป็นรูปธรรมนามธรรมอาศัยในรูปธรรมนามธรรมกระมารภายนอกเรียกว่าเทวปุตตมารเทวปุตตมารนี่คือพวกซึ่งมันมีฤทธิ์มีเดชมันแกล้งเอานะแล้วเราก็ต้องระวังตัวรักษาตัวได้ใจมั่นคงในพระพุทธเจ้าอย่าไปกลัวมารถ้าจะตายสละชีวิตถวายพระพุทธเจ้า ถ้าทำอย่างนี้ได้นะมรรคผลไม่ไกลเลยใกล้เลยนะถ้าเรากลัวยอยยอยแยแยนะทำโน่นก็กลัวทํานี้ก็กลัวนะใจไม่กล้ามันหวงในรูปในนามนี้มากนะไปฝึกไปขันแยกเป็นแล้วนะจเจริญปัญญาก็เป็นอยู่ไม่ทาต่อนำ้ำประการเขาหลวงพ่ อ, เ, อเป็นคําถามที่หลวงพ่ออาจจะไม่ค่อยอยากจะได้ยินเท่ า, ทาไหร่เอ่อถ้าเกิดว่าผมอยากจะรู้ว่าตอนที่หลวงพ่อเป็นคาราว่านะครับ หลวงพ่อใช้วิธีอะไรในการแบบ motivate หรือว่าเป็นแรงบันดาลใจตัวเองในการที่จะทำให้ตัวเองปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับหลวงพ่อตอนเด็กๆนะตั้งแต่เจ็ดขวบเนี่ยพ่อพาไปกราบท่านพ่อหลีวัดอโศการามท่านสอนอนาปนสติให้ใจมันอยากปฏิบัติใจมันชอบใจมันคุ้นเคยที่จะปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นทำไม่เลิกหรอกเจอทางต่อมาทำสมายสปียังไม่เลิกเลย ขึนวิปัสสนาไม่เป็นมาเจอหลวงปู่ดุลั่นสอนให้ดูจิตก็เราดูจิตไปนิดเดียวเองอะ่ะเราก็พบว่าจิตเนี้ยมันมีความทุกข์อยู่เรื่อยๆจิตเนี่ยไม่เป็นอิสระจิตถูกห่อหุ้มอยู่เคยเห็นไหมจิตมีเปลือกใครเห็นจิตมีเปลือกบ้างหรือจิตถูกขังยกมือให้ดุลที่มีไหมทุกข์ไหมทุกข์หลวงพ่อเห็นน่ยจิตมันถูกขังอยู่มันทนไม่ได้นะเรารู้แล้วว่าเราไม่อิสระ เมื่อเราอย่างเป็นทาสอยู่นะเรายอมไม่ได้ใจมันคิดอย่างนี้นะยังไงต้องหนีต้องเอาตัวรอดต้องฝากกรงขังนี้ให้ได้เลยใจคิดอย่างนี้นะงั้นภาวนามไม่เลิกเลยนะรู้เลยว่าถึงทําสมาธิทําฌานทําอะไรนะกรงขังนี้ก็ไม่แตกนะสู้ตายเ <laughs> พราะอะไรเราไม่อยากเป็นนักโทษเป็นเห็นทุกข์เห็นโทษ วตาเนี่ยมันหลอกเรามันเหมือนว่าเราเป็นอิสระชนทั้ทงๆ ท, ที่เราเป็นทาสแต่ละคนเป็นทาสทั้งหมดเลยทาสของตันหาทาสของอาสวะกิเลสตันหาเป็นเจ้านายสั่งซ้ายสั่งขวาอาสวะกิเลสเหมือนคุกขังเราไว้ตลอดเวลาไม่เคยพ้นอำนาจของมันเลยะเนี่ยพอใจไปเห็นอย่างนี้นะใจยอมไม่ได้สู้ คือบางทีมันก็รู้ว่าดีนะครับแต่ว่าบางทีมันก็ยอมรับว่ า, <laughs> าทเรียกว่ามันทุกข์ไม่พอเอาคําอวยพรมไหมอวยพรให้ทุกข์เยอะๆ <laughs> เอาไหมไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกนะเรื่องจริงเลยเนี่ยอย่างบางคนภาวนาเนี่ยกลุ่มเนี้เมื่อก่อนเนี่ยกลุ่มข้างหน้าหลวงพ่อเนี่ยตรงกไปรวมทีมกันนะทําใจว่างๆมีความสุขสบายสบาย สบายๆไม่ได้เห็นทุกเห็นโทษของรูปนามขันห้าเลยองใจไม่ปล่อยหรอกก็สบายอยู่อย่างนั้นแหละสบายอยู่ชั่วอำนาจของสมาธิหรือชีวิตมีแต่ความสุขเพราะว่าบุญเก่าเป็นให้ผลมานะชาตินี้หล่อรวยสวยเก๋อะไรแต่ละคนฉลาดนะเนี่ยบุญเก่าเป็นให้ผลมาเนะ่ยก็สบายถ้าเวลาของเก่ามันหมดนะมันลําบากคานี้ตั้งหลักไม่ทันเ น, นี่หลวงพ่อเวลาสอนเนี่สอนแบบอมหิษนะ มีความสุขเกินไปก็ไม่ยอมเหมือนกันนะไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมนะเรื่องจริงๆเลยพระพุทธเจ้าถึงสอนให้รู้ทุกข์เริ่มพังทำสมาธิให้จิตว่างพวกฤาษีชีพรทามาก่อนะพระพุทธเจ้าไปลองทําแล้วนี่ไม่ใช่ทางนะจนไปฝึ ก, กอาลาระดาบทได้ชานเจ็นะไปฝึ ก, กอุททะดาบทได้ชานที่แดแล้วท่านก็สรุปว่านี่ไม่ใช่ทางนะ งั้นจะไปเอาจิตว่างพวกเรายกหนึ่งนะหลงแต่เรื่องจิตว่างจิตเราไม่เคยว่างเลยจิตเราเต็มไปด้วยกิเลสว่างได้ไงจิตที่ว่างเป็นผลผลของการปฏิบัติมันมีช่องว่างทั้งมีช่องว่างไม่ใช่ไม่ใช่สุญญาตามปนช่องว่างคืออากาศสารนั่นใจยัตนะกราบบ้าอาจารย์ค่ะคือ อยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าคือเข้าอัปนาจิตนี้รวมเข้าอัปนาแล้วก็เห็นเห็นเกิดดับเห็นเกิดดับก็ดูนิดนึงแล้วก็เห็นคล้ายๆเหมือนเสียงภายนอกกระทบก็เห็นเห็นเกิดอ ข, อของของกระทบเกิดแล้วก็มาแล้วก็ดับตอนดับเสร็จแล้วมันก็เบาเย็นอื ทีนี้ไอ้ตัวตรงที่กระทบเป็นเสียงตรงนี้รู้ว่ามันเป็นเสียงที่กระทบแต่ก่อนหน้านี้ที่เกิดดับก็ดูไม่ทันสังเกตไม่ทันวาอันนั้นจิตยังไม่ได้เข้าอัปนาจิตอยู่ในอุปจาระนะถ้าอยู่ในอัปนาเนี่ยมันจะตัดการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายออก อ, นะอันนี้หูยัง ไ, ได้ยินอยู่มันมั น, ม, นมันแบบได้ไ ด, ได้ได้ยินมากระทบเออนล้วมันกระทบเข้ามาแล้วใจมันกระเทือนมันทางาน อย่างนั้นก็ใช้ได้ถือเป็นเจริญปัญญาในสมาธิเหมือนกันแต่ของโยมยังชงงนะ<ฆ>่างฟุ้งนะยังฟุ้งเก่งอยู่่<ฆ>ยังฟุ้งเก่งอยู่<ฆ>ไปรู้เอา<ฆ>สังเกตไหมจิตเข้าฐานหรือเปล่าดูออกไหมตอนเนี้จิตอยู่ที่ไหนดูออกไหมอยู่อยู่จิตหรือลองย้อนมาดูจิตซิดูซิดูได้ไหมเห็นไหมว่าดีดออกเปล่า ออกไปเห็นไหมมาอยู่ที่หลวงพ่อต่างหากใช่ที่หลวงพ่ออ๋อนี่ยจิตออกนอกแล้วงั้นตรงนี้จิตไม่มีสมาธิจิตไม่ตั้งมั่นนะจิตมาอยู่ที่หลวงพ่อจิตมาอยู่ที่หลวงพ่อแล้วทํำยังไงรู้ว่าจิตมาอยู่ที่หลวงพ่อถ้ารู้เฉยๆนะใจเป็นกลางนะจิตจะเข้าฐานรู้ว่าจิตไหลไปนะจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติตัวนี้ไปฝึกตัวนี้ให้เยอะจิตจะได้มีสมาธิที่ดีนะไม่งั้นเป็ยสมาธิที่เคลิ้มๆไปแล้วรู้สึกรู้สึกพลังไม่พอ แล้วคือจะจะเกิดสภาวะตอนที่นอนหรือช่วงช่วงที่เผลอแล้วก็พอตรงเนี้ยมีความรู้สึกว่าจิตเนี่ยมันบูบเหมือนเข้าท้ำกขบาไเออมันจะตกผวังมันจะนอนเป็นเป็นการเป็นปกติเป็นทุกคนเลยนะมีใครจำเป็นอีไหมมีไหมไม่มีแล้วล่ะค่ะ สมัครใจใชโยนิโสนะเอาละพอสมควรนะสาธุค่ะก็เรียนเชิญพวกเรานะคะสํารวมกายสํารวมวาจาแล้วก็สํารวมใจน้อมกราบนมัสการนะคะกราบในพระธรรมคำสอนนะคะที่พวกเราจะน้อมนกากลับไปทำพร้อมๆกันค่ะกราบกราบกราบ รันะบผ่อนตั้งใจนะการที่เรามาฟังธรรมเนี่ยเราได้บุญหลายอย่างบุญเริ่มต้นเลยเราได้ความขนไหวยมีวิริยะอุตสาหเดินทางฝ่าตลาดนัดมานะบางคนเราตากแดดตากอะไรใช้ขันติอดโทนอดกัน้นะมาตั้งใจรักษาศีลนะเป็นบุญจากการรักษาศีล บุญจากการฟังธรรมเป็นนะบุญที่ให้ปัญญาระหว่างฟังธรรมหลวงพ่อก็พาดูสภาวะบ้างเห็นสภาวะเกิดดับบ้างอะไรบ้างก็เป็นวิปัสนาปัญญางนะั้นเรามีบุญตั้งหลายอย่างลเรานึกเอานะขออำนาจบุญนี้จงมีแก่ใครบ้างก็ว่าไปนะอุทิศถวายพระเจ้าอยู่หัวบ้างเชนะื่อหัว เป็นที่พึ่งของแผ่นดินอยู่โอกาสที่จะมีพระชะแผ่นดินแบบนี้หายากมากหายากมากนะไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาหรอกที่จะเป็นอย่างนี้ได้ต้องสร้างบารมีมามหาศาลให้เราดูท่านเป็นตัวอย่างที่ดีเราพวกเราเองได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเราตั้งใจ เดินตามรอยของพระพุทธเจ้าอะไรที่ท่านห้ามเราก็อย่าทําอะไรที่ท่านให้ทําเราก็ทำนะบางคนเนื้อชอบมั่วนะบอกว่าปฏิบัติทำไม่มีอะไรหรอกรู้ลูกเดียววพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้รู้ลูกเดียวท่านบอกทุกให้รู้ทุกก็คือขันธ์ห้าเนี่ยให้รู้นะสมุ ท, ทยัยคือความอยากนะให้ละเสียนิโรธต้องทําให้แจ้งมรรคทาให้เจริญนี่นไม่ไม่ใช่รู้ลูกเดียวนะ พูดช่วยไปงั้นอะไรที่ท่านห้ามท่านให้ละก็พยายามละเสาะนะอะไรที่ท่านว่าอย่าทําก็อย่าทําอะไรที่ท่านให้ทําก็ขยันทําแล้วชีวิตจะดีขึ้นในเวลาอันสั้นนะธรรมะของท่านอัศจรรย์ที่สุดเลยนะถ้าเราปฏิบัติแล้วเราจะเปลี่ยนตัวเองในเวลานิดเดียวเองนะใช้เวลาสั้นนิดเดียวชั่วล้านิ้วมือเดียวเท่านั้นชีวิตก็เปลี่ยนหมดลนะรับผ่อนนะ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 มาเตภวัตวันตราโยสุขีที่คายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังุทธาปัจจายิโนชตาโรธรรมาวันติอายุวันโนสุขังพระลังมีความสุขความเจริญทุกๆคนนะทั้งทางโลกทางธรรมอนุโมทนากับผู้บริหารดอกบัวคู่ด้วยนะอุสาจัด